ก็เดี๋ยวจะอ่านเรื่องของทานของสัตบุตรให้เห็นมีผู้ใหม่มาบางทีก็หยิบยื่นเงินให้พระแทนที่จะยื่นใบแสดงเจตนานะส่วนใบแสดงเจตนาก็ไม่กล้าให้กับพระอีกพอกพระจะไปจับก็หดไปอีกพระก็จะหยิบจะเอเราจะหยิบกันไม่ได้สักทีเลยไม่รู้เป็นยังไงนะก็เลยจะอ่านพระสูตรให้พระอ่า ุบาสกุบาสิกาทั้งหลายฟังนะในคำของพระผู้มีพระภาคเจ้านะ เ, าเกี่ยวกับเรื่องลักษณะของการให้ทานของสั ต, ตบุรุษคือคนดีจะให้ทานอย่างไรนะ <c oughs> ทานของสั ต, ตบุรุษคนดีแล้วก็อานิสงของการให้ทานนะ ซึ่งจำแนกออกไปหลายอย่างนอกจากเป็นเหตุให้ <c oughs> ได้โพบกัพย์แล้วยังมีสาเหตุอื่นอีกนะไปดูเรื่องเกี่ยวกับลักษณะของการให้ทานดูก่อนภิกษุทั้งหลายอสัพปุริสทาน5ประการนี้5ประการเป็นไนคืออสัตตะบุรุษย่อมให้ทานโดยไม่เคารพคนไม่ดีอสัตตะบุรุษหมายถึงคนไม่ดี ย่อมให้ทานโดยไม่เคารพหนึ่งย่อมให้โดยไม่อ่อนน้อมหนึ่งไม่ให้ด้วยมือตนเองหนึ่งเพราะฉนั้นพยายามให้ด้วยมือตนเองนะให้ของที่เป็นเดนหนึ่งไม่เห็นผลที่จะพึงมาถึงให้หนึ่งคนไม่ดีจะไม่เชื่อผลของทานที่ให้ทําทแล้วคงไม่มีผลก็ทําไปอย่างนั้นอย่างนี้นะดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อาศ บ, บุลิสสถาน5ประการนี้แหลดูก่อนพิกษุน์ทั้งหลายสัปปุลิสสถาน5ประการนี้5ประการเป็นไนสัตบุรุษย่อมให้ทานโดยเคารพคนดีย่อมให้ทานโดยเคารพให้ทานโดยอ่อนน้อมให้ทานด้วยมือของตนเองนั้นให้รู้ว่าศาสดาเราสอนอุบาสกอุบาสิกาเช่นนี้นสิ่งที่โยมถือมาเนี่ยวางไปก่อน นะเดินตามศาสดาตอนนี้เรามาเดินตามพุทธวจนะศาสดาของเราโดยตรงและยมจะได้มีข้ออ้างไปได้นะว่าเราทำเพราะอะไรเหตุผลอะไรให้ของไม่เป็นเดนหนึ่งเห็นผลที่จะมาถึงให้หนึ่งคนดีจะเชื่อว่าการให้ทานนี้มีผลเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นนะเป็นความเห็นถูกเบื้องต้นที่ต้องเชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วมีโลกนี้โลกหน้ามี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 ดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้นสั ต, ตบุรุษให้ทานด้วยศรัทธาแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีรูปสวยงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยผิวพรรณงามยิ่งนักนั้นนอกจากทานจะส่งผลไปสู่โภคทรัพย์ปัจจัยแล้วยังส่งผลมาถึงรูปงามผิวพรรณงามด้วยนะ ในที่ที่ทานนั้นเปลดผลก็คือบังเกิดผลขึ้นรั้นให้ทานโดยเคารพแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคามากและเป็นผู้มีบุตรภรรยาทาสคนใช้หรือคนงานเป็นผู้เชื่อฟังเงียโสดลงสดับคำสั่งตั้งใจใครรู้ในที่ที่ทานนั้นเปลดผลอา น, นิสงส์อีกอย่างหนึ่งก็คือบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรคนใช้ของเราเนี่ย จะเป็นผู้ที่เชื่อฟังถ้อยคําของเรานี่คืออนิสงค์ของทานนะซึ่งไม่ค่อยมีใครมาจําแนกอ น, นิสงค์ตรงนี้บอกให้เราทราบมักจะพูดไปในเรื่องของโภคทรัพย์เท่านั้นนะครั้นให้ทานโดยการอันควรแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและย่อมเป็นผู้มีความต้องการที่เกิดขึ้นตามการบริบูรณ์ในที่ที่ทานนั้ น, นผลิดผล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 จากคนไม่เป็นที่รักหรือจากทายาทที่ทันนั้นบังเกิดผลนะนั่นในข้อที่โยมให้ทานโดยไม่กระทบตนและผู้อื่นเนี่ยจะทำให้พพกรัพย์ของโยมเนี่ยไม่เกิดอันตรายจากภัยใดๆนะจากน้ำจากไฟนะจากโจรภัยต่างๆอย่างนี้นะ ดูก่อนพิกษุทั้งหลายสัพพุลิสตาน5ประการนี้แหลเพราะนั้นถ้าโยมให้ทานโดยลักษณะ5ประการของคนดีเนี่ยโยมจะได้ผลอ น, นิสงส์ตามนี้นะนั้นแต่ละอันเนี่ยมันมีผลอ น, นิสงส์ของมันการให้ด้วยมือตนเองให้โดยเคารพให้โดยอ่อนน้อมให้โดยไม่กระทบตนและผู้อื่นอย่างนี้นะนั้นก็ให้ทราบเรื่องแง่มุมของการให้ทานในแง่มุมของทานที่ให้เนี่ยเศร้าหมองหรือปรานิษเนี่ย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 ย่อมไม่น้อมไปเพื่อการบริโภคยานภาชนะอย่างดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อการบริโภคกรรมคุณห้ายอย่างดีแม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้นคือบุตรภรยาทาตคนใช้คนทำงานก็ไม่เชื่อฟังไม่เงี้ยวหูฟังทรงจิตไปที่อื่นเสียข้อนั้นเพราะเหตุไรทั้งนี้เป็นเพราะผลแห่งกรรมที่ตนกระทำโดยไม่เคารพอันนี้ถ้าโยมไม ไม่ให้ทานโดยลักษณะ5ประการเนี่ยโยมจะได้ผลนะเป็นฝั่งตรงข้ามอย่างนี้นะขาบดีบุคคลให้ทานอันเศร้าหมองหรือปราณีตก็ตามเพราะฉะนั้นทานจะให้เศร้าหมองหรือปราณีตก็ตามแต่ถ้าโยมให้ทานโดยเคารพโดยนอบน้อมให้ด้วยมือตนเองโยมจะได้รับอนิสงส์ตรงนี้นะแต่ให้ทานนั้นโดยเคารพทําความนอบน้อมให้ให้ด้วยมือตอนเองให้ของที่ไม่เหลือเชื่อกรรมและผลของกรรมให้ทาน ทานนั้นๆั้บังเกิดผลในตระกูลใดๆในตระกูลนั้นๆจิตของผู้ให้ทานย่อมน้อมไปเพื่อการบริโภคอาหารอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อการบริโภคผ้าอย่างดีเรื่องของของการกินอาหารอย่างดีเนี่ยก็คือจะมีในภิกษุในครั้งพุทธกาลเนี่ยอยากอวดตนเองว่าเป็นเป็นผู้สําเร็จแล้วเวลาพระเขาออกไปบิณฑบาทตัวเองก็แอบไปกินอุจจาระนะแล้วก็ ทำตัวว่าไม่ต้องกินอะไรก็อยู่ได้นะเนี่ยบริโภคอุจาระตลอดซึ่งตรงนี้เป็นผลกรรมที่เขาเคยเคยให้ของที่ไม่ดีนะในการใส่บาทเขาให้อุจลาระนะในการถวายของแกสมณะหรือพรามนะก็เลยได้ผลอย่างนี้จิตตัวเองจะน้อมไปเพื่อกินของที่ไม่ดีอย่างนี้ย่อมน้อมไปเพื่อการบริโภคผ้าอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อการบริโภคยานอย่างดี ย่อมน้อมไปเพื่อการบริโภคกรรมคุณท่าอย่างดีแม้บริวาลชนของผู้ให้ทานนั้นคือบุตรภรรยาทาสคนใช้คนทำงานก็เชื่อฟังดีเงี่ยหูฟังไม่ส่งจิตไปที่อื่นข้อนั้นเพราะเหตุไรทั้งนี้เป็นเพราะผลของกรรมที่ตนกระทาโดยเคารพนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการให้ทานของสัตว์บุษก็เลยมาเอาพุทธวจนะคำที่พระาศาสดาตรัสไวามา ถ่าทอดให้พวกเราทั้งหลายทราบ